จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั่นก็เรียนจากสาวกขึ้นร้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนวนไม่มีกลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็าตามพระพุทธเจ้าแสดงก็าตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จกักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจ การแสดงทำลึกตื้นหยากละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจริงดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาพปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือเกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพื่อเคินต่อการสะดับขับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนที่เลือยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างข่าวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านดังมีชีวิตอยู่พอถึงวันแต่ชุมถ้ารู้สึกว่ายิ่มแย้มแจ่มใส ว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยากงไหนๆก็มีความกระยิ่ยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้บายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นพื้นผู้ที่ฝึกขาดใหม่เนี้ย มีหลักฐานทางน้าจิตใจไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงเรื่องสมาธิตามขั้นอย่งสมาธิตาม ข, ขั้นของปัญญาทเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านเพงจะสรุป ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจแนบอบลงในสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบาง ท, งทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา ฟังธรรมจากท่านนั่นล่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่ ง, งรถทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ทต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เล่าถวายท่านนะครับถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั้นไม่ได้มาเล่าในะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแนวก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ก็ตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะ น, นั้นจุดไหนที่ควรเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ได้รับการลงศึกษาจากท่านในขณนะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลแน่ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวข้างพุทธการา ล, ล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระว่าเองโอวาโอวาเดอพิถิผิกูโอวาดั ง, างที่พูดมาแล้วนะั้นมันก็ลืม ที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญ า, านั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนี้ที่พระองค์ทรงดงเนินฐานเมื่อพระองค์ประทานพระโอาวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกําลังความสามารถของปนธรรมเทศนาที่ประธานมานั่นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามข่านตามปริมุขส่วนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอดีเรื่อยๆเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจิตใดในขณะที่บําเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกําลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอยหลายครั้งหลายผมก็สําเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านในสําเร็จมากคผลนิทานเป็นเหมือนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งท่านผู้ป ร, รการก็รู้สึกว่าคนผึกกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวก็เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควรใจเป็นเครื่อสงส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันดุมเท่านั้นเหมือนกันฉล๋อของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องที่เลียกก็ไม่มากคนก็คงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของกินเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสําหรับผู้ฟังโดยลํำดับกำลังเมื่อฟังแล้วก็เอาไปรู้บัตปฏิบัติตามในฐานที่ต่างๆ ท, ที่เห็นว่าเหมาะสมแต่การบําเพ็ญของตนตามกระดินงนิสัยมันเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็ มาถุมถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้สราบและประธานอวราชทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งบุตรการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับาําดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากทั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สาคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรคผลมิพานจริงการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่แจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค้าเกลื่อนเกลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรักท่านผู้รู้จริงเหจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเรอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ปรากฏมี่จะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วแหบตรงไปเลยอยู่เลยเอย่างเข้มข้นเี่ด เทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันทองขึ้นเหมือนกับท่านนิพพานนะ่ะเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้ <c oughs> เป็นลักษณะนั้นนี่อ่ะการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นมนาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแปี่ยนแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์เน้่ต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่านนกา ร, ร, าสราแสดงคำออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็เมหน่วย เ, เ, เ, เ, เต็มอัดเต็มทำเต็มใจ ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะพานว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอาหารหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสด้ออกจะเป็นประเภทในก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออผิดแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆ จนกระทั่งถึงขังน้นนิมิตหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละลาถอนยังไม่น่าก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมัน่นภารกิตใจให้แน่หนามัน่นคงยิ่งขึ้นโดยละดับกำลังเนตักตวงเอามราคนิพพานกันเรื่อยๆเลยๆนั่น สมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงอมผลมิพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มเหนี่ย เ, เต็มทัศน์กำลังผลที่จะพึงได้ครับจริงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูปคำ ร, รูปนั้นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องโสขปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นคำพอเป็นเครื่องขอดถอนยิเลศไม่มี่นี่เปเครื่องพอกพูนยิเลศ เดียนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องครอบคลุมยิ่งเดชทั้งนั้นมันตรงเงินข้ามกับสมัยพุทธกาลเวลาจะว่าทําไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะเกิดขึ้นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุ ด, ดีผลดีเหตุ เต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สัจจะว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้นาหีคัมภีร์บาลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่กระตุ้นปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลส ก, ก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหลักตำลาอนนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสปัญหาอารรัตวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอัตวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทําไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเส ม, มอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนนําพระพุทธเจ้าและสาวกท่านถอดถอนไว้แล ะ, ะท่านดําเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยล่วงแต่สมั ย, ยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย มันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันถ้ากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคําว่ากิเลสถ้ามเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะกขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นฆาตสึกต่อเราเอาเราทำทรักกิเลสหรือว่าค่ากิเลสเอาเกิเลสตัวนี้ก็าตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ่าทนะาเขาเป็นรูปเป็นหน้างนะความโลภเป็นที่เดชชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี้แลมั น, นทําโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันเนี่ยนี่เลยท่ามันจะแยเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดบางระจํานวนมา ก, มากๆด้วยคนที่หายรายพวงไปเพราะอํานาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายมันเป็นนีรูปลักษณะมันเป็นนี่ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถาว่ามันเป็นรูปเป็นล่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรนนี่คือคือภัยทั้งกองทีเดียวอ่แล้วรูปล่างของความโกรธที่มันเป็นอย่างนั้นตัวมเป็นอย่างนั้นเราหงางกลางตัวเป็นนี่เชี่ยวมันเป็นนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่หามาทิ้งไว้นี่เอ้าประกาศโลกให้มาดูตัวเนี่ยตัวร้ายกาจที่สุด โกคพิรุษพิภ า, ายได้เพราะตัวโกรธนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่ารห้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาวมาก้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่พันธกิจจังตนก็กลัวก็ขยักขยแยงและมีทางทมีแต่ใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามาันความโลคความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอรรถพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้รับราฆ่าฟันกันทําความพินาศขึ้นมาให้เจโลกก็คือตัวภัยสามกองคนนี้แหละใครก็ต้องตัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของมาพิเดชออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อพิเดชเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้แล้วก็พิเดช ก, ก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกวันนั่งขำจะอาให้ตายกับความโลภก็ได้พอใจจะโลกโกรธก็ตาดําแสดงก็โกรธได้ทั้งนั้นเน่ะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายึดว่าเป็นเราเสเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งทั้งที่มันเป็นภัยแต่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นวัดที่เล็กแล้วมันเป็นภัยแ้วทั้งก็ตายแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็ถือด้วยกันได้นี่เอาเกิดก็เกิดจะวางไง ทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะหน้าของจิตพ่ายเสียกิเลสเป็นเราเราเสียใจว่างก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้ทอดถือว่าเราเป็นเราทางว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นมาได้ต้องมีท่าต่อสู้กัน เมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพร่ความาน่กันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนคืออยู่นี่ให้เราแยกอย่างนี้การภาภาภาภาพุทธปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมเสด็จเป็นไปเพื่อความดัดต้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความราช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของจิเลศทั้งนั้นถ้ามาแค่เป็นจิเลศตัวจริงก็คือลูกต้าของมัน มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอมแม่เป็นพาเป็นเสือลูกพ่อทําเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าเป็นเสือข้ามันไปไม่เลื่อยนี่เราเห็นทั่วทังมัน น, น, นี่แยกขั้นออกนี่อุบายของตะปิปัญญาจะแยกเรื่องพิเดลกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายพลิแแกแทงเปล่งแปลงหลายแง่หลายตะพงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราพิเดลก็กอดคอากันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวัฒนามตะโคหมายถึงแบบไม่ มีต้นไม่มีปลายถ้าทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยี่นมาตายไปตายมาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏสงสารกับหัวใจเรามันก็วนไปเยี่นมาอย่งั้นมาพยายามาตื่นแต่ของเกา่าอ่แล้วเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายเท่าไรก็ทำไมเราไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบดรื่ของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวผาย เมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนหน้าที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอยา่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภพยตัวนั้นก็เป็นไพลอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสีย้ยนถอดน้ำออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนลงมาได้แล้วนี่ก็คือน้ำ ที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนถออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย้มมันหายไปปกตินะส่วนกิเลส ท, ที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นค่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียดแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหมือนที่จะแก้ มีมานะภาในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหัส ร, รหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบพุ่งห น, นะ่ะเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเลือยสู้กันไปนเรื่อยให้ถอย เราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่ขึ้นจากหล่นลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเรามายกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอดเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเร า, าผู้ถอนที่เดือดแสบการจิต ใ, ใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนังงน่งค่ำคืนนรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราตพยายามถอดถอนออกคนยลำหนักลำหนักสติปัญญาผิดขึ้น หาอบายพลิกแปลงแตลงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผืดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายตัณหาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่างคาอุบาจารย์จะเป็นจะเป็นพูดแนะให้คือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ้นเราจึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลาดับลําดาแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันยัางค่าไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าถึงได้ที่เราผึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิดยืมเข้ามาถ้ายแมันหมดทันคือดูดจิ้มดูดมือแต่เสียหายาตถาคาก็มีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอาอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศท้าให้คนจนจนกรอกจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นปูก แทงทะลุปูป่วงก็ได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึ็นชมนัตถิปัญญาสมาอาภานานทาสิท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอด้วยปัญญาไม่หีปัญญานี้แทงทลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้งบนข้างล่างอดีตอ น, นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยากละเอียดของขี้เด็ความมืดดำอยู่ที่ไหนคือขี้เด็ดอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุ ป, ป, ปลูพวงทีหาที่หลบซ่อนไม่ได้ ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทีุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่คน้นคุยเสียหามาฆ่ามันตลอดแต่ที่เหลือมอมไปฆ่ามอาไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยอีกฆ่าโด้ตปาตปาัตปถธรรมเผาได้ตปัตธรรมตาปัธรรมคือความเพล้ยนเครื่องแผละเผายิ่เละพอใาหา้มันคิดหาโดยลำหนับลำหนักที่เหลือมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหอีมันจะเอาลูกท้าเรากลับที่ไหนเมื่อถูกฆ้าวันหนึ่งมันหลายตัวหลายๆ ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลทุกท้ายก็มีกิเลสตัวใ ด, ดเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออมาอย่างน่าอาัศจรรย์นี่อำ น, นาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอนนานาจของกิเลสแสดงความมืดดำแต่เราเห็นอยู่ทุกอยู่ทุกวันทุกพบทุกอาจเวลาความทุกข์รทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการธรรมะกิเลสแม้ขหนักน หรือลำบากอย่างไรจริงเป็นงานที่ควรอย่า ง, ย, างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากขึ่นกว่าความลำบากในการถอดถอนที่เหลือซะอีกเนี<ม>่ยเราก็ต้องคืงยอย่างผ่กขันพลัาให้ดีแยกแยกให้ละเอียดก็ออกจะขีดครั้งกี่หนึ่งขี่กระโดควบทวนก็ตามแยกทำมันเห็นชัดเจนเอาจนทนํนานิทํางานเอาทํานิทํางานแล้วอยังไม่เละเอาจนทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวาง รู้จริงเห็จริงเนี่ยมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกข้อปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเรากราพักจับอัศรพิึิตมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอัศรพิชิตท่านมันสลักทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อเห็นจริงในจริงที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดล่อยเองผิดใจปัญดาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองต่อเองปล่อยเองไโดยลำดับกันมาการปต่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้เจ็บพิเล็มากหรือน้อยก็เท่าตัวของเรานี่พอนถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเรานี่ทันว่าอารมมสุขที่มันเป็นอรมณไม่ได้เกะคือเรื่องของพิเล็กเท่นั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วมันมีคุณค่ า, าเพราะอาสิ่งที่มัมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจไม่ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงแสดงตัวอย่างเป็นที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ะเสิฐประเสิฐที่จุดนี้เองสาวกอระหัตฐานท่านก็เสิฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะพวกนี้เป็นผู้ติดผู้ครองผู้พาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่ปลด่ลงออกหมาแล้วก็ดี่งขึ้นที่นี่เออผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจ ไม่ไ้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไมนเป็นปัญหาเมื่อ จ, จิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่อ ง, องของจังทุกการอาตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้ว มันค่อยแกลงมันไปโดยลําดับบเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นทักเห็นความแปลสภาพของธาตุของขันมันแปลไปเปลไปถึงวาสุดท้ายก็กระจายออจากกันไปหมดฉะนั้นก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกเพรามันเองเพราะมันตั้งมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองาในั้นเราก็รู้กันรู้้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่อง ขัดปัญญางเราให้ผัดจิตใจขงเราให้มีความสว่างอาะจ่างแจงขึ้นด้วยน้ำหนักของปัญญาที่แทงทะลุ ป, ปุ่งงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่แล้วอะไรจะคิดหายที่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันนะไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นข้ามันส่วนที่เป็นลมเป็นไามันก็เป็นในการธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต้มมัน ว่าให้มันเป็นอันนั้นทำแต่นี้มันเป็นเพรามันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองและต้องมาเสดสันว่าจริงหรืไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่ง น, นี้ตามความจริงค่าเองจิตมันก็จริงขง้างในเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติสิซ้ำเหมือนตัวหมดเพื่อหมดราว ขันก็ไปเสียติ ก, ก็ข่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาเรื่องขันธาราฮาวีาาาาปัญจขันธถาทาระฮาโลสตุกขโรหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าประีคทานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยังคองขันอยู่เนี่ยจิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในกันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการบินการเดิ น, ก า, ดนการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยเอียดต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความทางังวนมันยังไม่เป็นเม็ดกันหรอมันสลัดออกไปทั้งหมดติดกับบริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเที่ย ทางอันต่างจริงแท้จิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งมดอ น, นาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอะมุปาทิเสสนานิพานสนัสมมุิไว้ให้เต็มภูมิของส ม, มุิวิ ม, มุติไปเต็มภูมิของวิ ม, มตุตไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือ น, นอย่างเวลาที่คลองทาาถังอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไร น, นั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนใดจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิหนาอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อนหนุนไม่เป็นไรไปเอาให้หนักเลม ทกิดตายเกิดกุชลาธรรมมาสิ่งนี้มาหยุดไม่ยัง้งเอาสร้างกุชลาภายในจิตใจให้พอกุศลาธรรมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉนาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุชลาไม่กุชลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุชลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยลกุชลาธรรมาอะไรก็เท่าเดิมเ่ะ ท่านให้เราสร้างกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอันไหนไม่ดีก็อากุศลธรรมมความโง่กําจัดออกไปความโง่คือกิเลสฮะกุศลธรรมมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกกันจะมันของสายโดยสุดเต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยาตาธรรมมาก็ได้มันหมดแล้วลงบุญลงบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตตธรรมคําว่าอัปยาตาธรรมมาเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่เป็ น, นบัติ ในบรรดาส ม, มุดทัางหลายก็ได้น่าจะแยกไปเป็นอภิยะกตาจิตชื่อจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปตัวประการทั้งปวงเป็นจิตของตาตาไปที่หนบุคคลผู้มีบุญและบาปอณะเสียแล้วเป็นอภิยะกตาจิตก็ถูกถึงคํานี้แล้วไม่เสียงไทยไทยจะให้ชื่อไห่นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห่นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จําเป็นเราจะต้องเป็น หิ้วหัวักับชื่อกับนามมันอีเอะเนี่ยมันว่าหมดตัญหาทุกข์เพราะความเพียเรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลําบากในการบําเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบา อ, อกเบาใจ ถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้ที่เลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงคาําขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัอืมความฟุม้งคือเพลินไม่ใช่หนึ่งจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพินต่อการพินิพิจนาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นความเพลินท่านเรียกวอุดท่าจ่ะพอพ้นจากนันแล้มันก็หมดปัญหาอามันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอะละละมิตเกียวตรงนี้